มองเห็นสิ่งที่ดีที่ถูกสิ่งที่ ยังชั่วมันโน่นนี่แสนยากที่สุดแต่ว่ายากก็ตามเถอะ เมื่อลายชั่วได้แล้วก็ละเด็ดๆ กมลเราทําชั่วนี่แหละสอนคนคน 99 คนลืม จะนับได้เห็นก็วิ่งติดตามเลยคนนั้น ไม่ได้วิ่งหรอเอาคอยก่อนไปหาท่านอนาคโคดมคอยเราก่อนหยุดก่อน <c oughs> เราตายเหนื่อยแทบตายด้วยพินัยหารพระองค์หยุด นําไปโกหกเราหยุดจากการฆ่าสัตว์ทั้งนั้นน่ะคําพูด เป็นผู้เตี่ยวยายะกายครับคํา องค์เทศน์ได้ฟังอยู่ในสมิต มนุษย์ของเรานี่แสนยากแต่ว่าสอนได้เด้อดีเหลือมันเหลือ <c oughs> พระองค์สอนพระองค์เองแล้วทำธรรมานพระองค์แล้วฝึกหัดดัดกายวายใจของพระองค์แล้วเรียบร้อย เราสึกฝึกหัดได้แค่ไหนอบลมตัวของเราได้เพียงแค่ไหนอันแน่เป็นเรื่อง ศีลของเราสมบูรณ์แล้วหรือยังสมาธิของเราแน่นแฟนหรือยังปัญญาของเรา คนอื่นเป็นตามแล้วคราวนี้เป็นไปตามแล้วเขาไม่ คำว่าฝึกหัดบุรุษนั่นน่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีพุริสธรรมสาถีรทาท่านกล่าวถึงเรื่องบุรุษพุทธานหมายความ ค่าอาหารอะไรไม่ใช่ค่าอาหารต่อสู้ หาสัตว์ลักษะสุราไม่ไรชิด 5 ข้อนี้มันเป็นศัตรู องค์ก็ 5 แล้วไป 5 เป็นต้น 5 เป็นต้นได้ก่อน 5 เป็น ถือศาสนาแต่ว่าไม่มีจิตฐานก็ ว่าแต่ปฏิบัติถึงภายในอันถือแล้ว หมายปฏิบัติได้ถึงใจอันเรียก ทีเดี๋ยวเที่ยวชาลทะลาที่สุดก็ อันนี้ก็มาเปรียบเหมือนกับดอกบัว ไม่เข้าใจเฉยๆนี่แหละเข้าใจว่าพระองค์ไม่เอามาเปิดเผยคือว่าตรงนั้นตรงไม่รู้โดยตรงไม่เห็นนั่น <c oughs> จึงได้ประกาศโฆษณาถึงเรื่อง <c oughs> คนที่กําของไว้ในมือแล้ว บรรดาสัตว์ทั้งขวงหมดมาให้ข้าตัวมีชีวิตไม่ว่าญาติพี่น้อง ถ้าเจตนาตั้งใจจะรักแล้วนิดหน่อยก็เป็นรักถึงเขาไม่รู้ เป็นอันว่าผิดทั้งหมดอันว่าผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ เปรียบดังว่าเพ็ญจันทร์ทิศโสใส นั่นเรียกว่าพุทโธพระขวาได้ขาน คนใดยรักษาชิ้น 8 ก็แจกออกไปคนใดมีความ 10 4 ก็แจกออกไปชิ้น 10 เป็นอย่างนั้นชิ้น 220 47 เป็นอย่างนั้นชิ้น 58 ชิ้นเป 8 ได้ 4 อย่างนั้นอธิบายออกไปหมด แกเอาโกลับนั่นแล้วแต่บุคคลผู้จะเอากูเอามาก เป็นผู้สอนบอกทุกกล่าว เมื่อคนนั้นได้แล้วคนนั้นก็ หาหากว่าเรารับเอาคําสอนของพระเจ้าได้คราวนี้โครง ศีล 5 ข้อนี่ก็รับ 8 ก็รับเอาเป็นกิจวัตรจริงๆแม้ขาดทานบ้านเมืองก็จะ 5 ศีล 8 ศีลจีบสมบูรณ์บริบูรณ์น่ะจะสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสุข ให้ 5 ข้อมันก็ 5 ข้อนี่เท่า 5 ไม่มี 5 ไม่มี 5 ไม่มี วนวายกันเดือดร้อนกันทุกย่อมยากนานะ เราคิดดูอ่ะหาความ เกมน้อยมีมากเท่าได๋ นี่อธิบายมาในวันนี้ ข้าบุรุษคนหาสารทรีไหนจะเปรียบเหมือนพระองค์ ผู้มีศรัทธาแก่กล้ากันได้มากผู้ แก่นนั้นนี่ครับทอดทิ้งไอ้แม่ทําบ่ากากกรรมหาอยู่หากินผู้เดียว แกเข้าใจว่าทําอันนั้นตายกระทั่งยูก็ตายวิธีนั้นตายไปแล้วแกเลยมาทําบุญหาได้ ละทำบุญเด้อก็ทิ่มหมดทั้งมอนั่นแหละบ่ บ่มีบ่ตายดอกยังอยู่พะนะแต่ท่านอยู่ก็ได้วิธียังดอกน่ะบ่ตายยังลูกข่อยลูกคาย ทำไมยังบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยง มันแปลว่าทอดทิ้งหมดแล้วเคย ตั้งสติเฉพาะตัวของจิตจิตอยู่ตรงไหนตั้งสติอยู่ตรงนั้น เห็นอยู่ทุกขณะเรียกเอาอยู่อํานาจของเราอย่าให้ คนเราไม่สังเกตเฉยๆนี่ถ้าตั้ง อย่ากลัวอย่าเขียนยังสอกออกมาทีนั้นแต่ว่าอย่าไปอยากลุกมันหนักลู่ขึ้น <c oughs>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 เมื่อพุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทโธแล้วสติควบคุมพุทโธกับจิตเดียวกันนั่นแหละการจิตได้แล้วพุทโธหายไปหมดยังเหลือ เมื่อจิตอยู่แนวแน่